วันนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เขามาบวชในครั้งนี้เขาขอให้ตั้งอกตั้งใจเอาจริงจังอย่างน้อยก็ให้ได้รับความสงบทางด้านจิตใจให้มีหลักฐานให้มีหลักแหล่งให้จิตใจมั่นคงสิ่งไหนที่มันไม่ดีเมื่อเป็นครวญญาติโยมก็ให้พวกเรามองให้ชัดเจนเพราะว่าเราเข้ามา อยู่ในระดับนี้เราควรจะแก้ไขอย่างไรเรื่องที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านแต่สิ่งไหนที่เราเดินมาคตโคง้งหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎธรรมเนียมประเพณีหรือว่าไม่เป็นที่สบายอกสบายใจของพ่อแม่วงศาคณะญาติหรือทำสิ่งที่มัน ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือศีลธรรมจริยธรรมของชุมชนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นพวกเราให้นึกย้อนหลังดูเมื่อเป็นครวาดที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างแต่บัด น, นี้ข้าพเจ้าจะตั้งต้นใหม่จะตั้งตัวใหม่จะตั้งลาใหม่ถ้าเป็นอย่างเครื่องบินก็พยายามจะพุ่งทะยานไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียว อย่างอื่นที่เราเราจะไม่ทําอีกแล้วเพราะสิ่งที่เราทําไปนั้นไม่เป็นที่สบายอกสบายใจผู้เกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเมื่อไม่นานมานี้ผมเองก็เห็นหนังสือเขาตัดหนังสือมาให้ผมอ่านแล้วก็ผมก็สลดสังเวชโอ้ทุกวันในเมืองไทยของเรายังมีการลงโทษขนาดหนักอยู่ว่างั้นจ้ะ เ่ยปองหงปหารเนี่ยที่เขาลงหนังสือพิมพ์เขาก็ตัดมาให้ผมก็ไม่ได้อันนั้นหรอกแต่ผมเองเห็นแล้วก็เออเคนในชาติไทยของเรานี่พบพระพุทธศาสนาก็น่าจะเรียนรู้เนอะลูกหลานทำไมจึงโหดจึงเหี้ยมจึงทำให้ตัวเองได้รับทุกข์รับโทษถึงขนาดนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วก็ผมก็สรดสังเวชใจ นั้นพวกเราทุกองนะที่เป็นนวกะกดีเป็นพระที่มาอยู่กับหลวงพ่อทุกองค์ให้คิดไปอยู่เสมอข้าไปเจ้าสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ช่วยช้าลาม ก, ส, าม ก, ามกมาสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหักพระธรรมวินัยไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติประเทศชาติบ้านเมือง ข้าจะไม่ทำอย่างนั้นข้าจะเป็นคนดีจะให้เป็นที่ยอมรับในท่านเหล่านั้นให้ตั้งใจอย่างนั้นในใจของเราแล้วก็ให้จริงจังด้วยอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วนั่นหละเมื่อสิ่งนั้นเขามาถึงตัวของเราเองก็เสียอกเสียใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเสียไปแล้ว เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ผมเองสอนเช้าสอนเย็นเวลาเช้าผมก็กรอกพูดถึงจะผมจะเทศให้สัทยาญาติโยมฟังผมก็เน้นหนักมาทางพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนให้เป็นผู้ได้เย็นได้ศึกษาเพราะธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยมันไม่ได้เน้นหนัก ผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าว่าผู้ใดได้ยินเกิดเกิดประโยชน์ก็สามารถที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขกายวายใจของตนเองได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเทศล้านชายพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรเนี่ยที่ำสุ ก, กรขาตาพระพุทธองค์ให้พระทีฆนขาถามปัญหา ภาษาไรบุตรก็ถวายงานพัดคือถวายพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าแต่หลานชายภาษาริบุตรอยู่ทางด้านหน้าหลานชายก็ไม่มีคล้ายๆว่าไม่พอใจอยู่แล้วว่าหลวงลุงของตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาเสียแปมเรื่องลือระเบือไปทั่วทุกแห่งหนว่าสารบุตรที่เป็น หลวงลุงของเราเนี่เป็นผู้มีสติปัญญาเสียบแหลมอย่างมากแต่ทําไมจึงมาสยบให้แก่พระสัมมาณโคโดมพุทธเจ้าอา่ทีนี่คือความไม่พอใจเขามีเขากระถามปัญหาพระถามไปถามมาเขาก็โป้งออกมาว่าที่สัมมาณโคโดมพูดทั้งหมดข้าพเจ้าไม่พอใจเอา่าข้าพเจ้าไม่พอใจในที่ท่านสัมมาณโคโดมที่พูดออกมาที่ตรัสออกมานั้น พระพุทธเจ้าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าทีขนาขะนะเขามีความหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเข้าไปตรงนั้นเลยบอกวา่าทีขนาขะเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยฮะที่แรกทีขนัขะว่าข้าพเจ้าไม่พอใจในสัมมนาขรรมที่ท่านพูดทั้งหมดข้าพเจ้าไม่พอใจ พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสำทับเขาอีกว่าทีาคณาขะเธอควรจะไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยะพูดเพียงแค่นั้นท่านภาษาริบุตรที่ถวายงานพัดที่อยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงคำว่าอันนั้นของเธออีกด้วยก็คือใจเออ คือปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจไม่ให้ความสําคัญที่ใจปล่อยวางจุดนั้นพอปล่อยวางจุดนั้นท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์ในขณะที่นั่งฟังที่พระพุทธเจ้ากับทีคณขะที่เป็นหลานชายสนทนากับพระพุทธองค์อยู่นี่แหละเพราะนั้นธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่ใช่ว่า พูดให้เราฟังซะก่อนเราจึงจะฟังเราได้ยินท่านพูดให้แก่ใครฟังก็ได้ถ้าเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมแล้วเราก็น้อมนำมาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างที่ที่ทานเทศมพีสามหรือสถานีวิทยุของเราเนี่ยองหลวงตาท่านเทศให้ใครใครฟังที่ท่านเอามาเปิดในสถานีวิทยุเราก็ฟัง ฟังเสร็จแล้วเราก็นำมาพิจารณาจากนั้นก็มาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราก็ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะพูดให้เราฟังซะ ก, ก่อนเราจึงจะฟังถ้าหว่าเราคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศนาแต่ยุคสมัยสองพันกว่าปีแล้วเราก็เออ เพราะพระเทเจ้าเทศให้คนยุคนั้นฟังไม่ใช่ประเทศให้เราฟังเ อ, อถ้าคิดได้อย่างนั้นถ้าว่าตัวเองหันหลังให้ทำคําสั่งสอนอย่างนั้นจะจัดว่าเป็นประเภทไหนเ อ, อจะจัดว่าเป็นประเภทวโง่ชมัดเออพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเมื่อท่านตรัสถึงสองพันกว่าปีแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมะ ทำคำสั่งสอนเป็นแนวทางปฏิบัติถ้าพวกเรานํำทำคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสมาทั้งสองพันกว่าปีแต่นํามาใช้นํามาพิจารณานํามาไขควรทบทวนด้วยเหตุและผลแล้วยังเป็นปัจจุบันคือเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ยังทันสมัยกับตัวของเราอยู่เพราะฉะนั้นเรา ก็านรารมำคำสั่งสอนของพระุทธเจ้ามาปฏิบัติกับตนเองแล้วใครจะเป็นคนได้เพราะพุทธเจ้าได้อะไรจากเราพระสงฆ์สาวกที่นรทมคำสั่งสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่เราเร่เคารพนับถือเริ่มใสนั้นท่านได้อะไรจากเราท่านไม่ได้อะไรจากเราทั้งหมดเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ได้อาจได้ทำคำสั่งสอนที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติ ความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญก็มาสู่การเป็นอยู่ของเราครอบครัวของเราวงศาขนาญาติของเราตัวของเราเป็นอันดับแรกเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อได้ยินธรรมะที่ไหนอ่านหนังสือที่ไหนเรื่องอะไรถ้าว่าเป็นอัดเป็นธรรมเป็นแนวความคิดที่ดีแล้วก็ให้นำแนวความคิดนั้น มาสอนใจของตนเองในเมื่อเรานำมาสอนแล้วนั่นเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเห็นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็สกัดออกไปเรื่อยๆถ้าว่าสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมเราก็พยายามจับยึดจุดนั้นเข้ามาปฏิบัติกับการเป็นอยู่ของตนเองทีนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆสกัดกิเลสราคะโทสะโมหะ ออกไปเรื่อยๆนี่เพราะนั้นเราเข้ามาบวชในพธธระพุทธศาสนาในครั้งนี้ผมเองก็อยากจะให้หมู่พกเพื่อนทุกองค์ปฏิบัติตนอย่างนั้นและก็พร้อมกันในขณะที่พวกเราอยู่ตามลำพังกับวันนี้อย่างที่วันเป็นวันอาทิตย์ถ้าพวกเรายังไม่มีเครื่องฟัง m อ3สอยากจะฟัง ความคิดเห็นของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็เปิดฟังวิทยุได้พวันอาทิตย์ทั้งวันเนี่ยหลวงพ่อแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างแนะนำสั่งสอนอบรมพระและครวญญาติโยมอะไรบ้างอย่างนี้ในทางบาพวกเรามีความตั้งใจมีความสนใจมีความใส่ใจที่จะศึกษามีช่องทางตั้งมากมายที่จะให้ความรู้ความฉลาดระว่าความเข้าใจในธรรมะ แําสหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราถ้าว่าไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจถึงจะครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ฟังฟังไปยังงั้นละหันหลังใส่อย่างนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่เชื่อเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอันนั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ถึงยังไงยังไงก็ถึงจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจับชายสบงจีวร อ, อยู่ พระพุทธเจ้าพูดก็ยังไม่เชื่ออีกต่างหากถ้าประเภทอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้มาถึงจุดนี้แล้วพวกเราได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกก็ศึกษามามากพอสมควรแล้วก็คราวนี้ก็ให้มาศึกษาคดีธรรมก็ให้พวกเราให้ไต่ตรองให้ดีสังเกตให้ดี ศึกษาให้ดีพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอะไรมีจุดประสงค์อะไรหรือครูบาอาจารย์อย่างผมนี่แนะนําสั่งสอนพวกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายมีจุดประสงค์อะไรไต้องการอะไรผมเองก็ได้รับการศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่องค์ผมก็ได้นํำทำคําสอนที่ได้ศึกษามานั้นบางทีก็เอามาทั้งรุ่นมาให้หมู่ฟังได้ศึกษา แต่บางครั้งก็ได้ประยุกเออเอามาใช้เอามาแนะนำสั่งสอนหมู่พกเพื่อนเออสรุปแล้วก็คืออยากจะให้หมู่พกเพื่อนเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญารอบครอบรอบรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมให้เอาตัวรอดให้ได้ให้เป็นพระที่ดีเมื่อเป็นฆรวาสญาติโยมก็ให้เป็นฆราวาสญาติโยมที่ดีแต่หางว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้คลานนะ อยู่ยุคนั้นสมัยนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีพระมีครวญญาติโยมเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าตอนเย็นกลุ่มหนึ่งพอได้ฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้เข้าไปขอบรรพชาขอบวช กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชแล้วก็มีโยมลูกเศรษฐีคนหนึ่งยังอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแต่เป็นผู้ขี้เกียจว่างั้นนะทีนี้อ่เป็นผู้ขี้เกียจไม่เอาไหนว่างั้นเถอะอ่แต่หมู่กลุ่มพวนั้นขยันแต่นนี้ก็เข้าพอมีอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบวชกับพระที่เป็นาสาวกของพระพุทธเจ้า อูในสำนักถึง5ปีนีก็เรียนรู้หลักพระธรรมวินัยเข้าใจในกฎเกณฑ์กฎระเบียบในหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็กราบล า, ลาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาอาจารย์ออกไปเที่ยวทุดงในป่าพอไปเที่ยวทุดงในป่าก็ไปอยู่ในชนบทแล้วก็บําเพ็ญเอาอย่างอุ ก, กฤษว่า ง, งั้นกันบำเพ็ญอย่างเต็มที่ แต่ว่าพระองค์ขี้เกียจเนี่ยพอไปเห็นปา่าโอ้สู้ไม่ไหวหรอกอทรมานเหลือเกินเลิกลับมากลับมาวัดของพระพุทธเจ้าแต่จํานวนพระจํานวนนั้นท่านไม่กลับท่านไปบําเพ็ญ อ, อยู่ในปา่าจากนั้นก็ได้ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระกลุ่มนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยกลับมาพอกลับมาก็มากราบทูลพระพุทธเจ้า รายงานว่าหมดความสงสัยสิ้นความสงสัยในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจบแล้วพรมจันย์นไม่มีอะไรอีกแล้วพระพุทธองค์ก็ฉันรเสริญเป็นอนเนกอ น, นันต์ให้เขาว่า น, นี่แหละบุตรของเราท้าถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหะเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วแปลว่าจบแล้วจบพรมจันย์นแล้วพวกท่านทั้งหลายอยู่ณสถานที่ใดไม่มีอะไรที่จะมากีดขวาง กลางกั้นแล้วจบแล้วสุดเพียงแค่นี้แล้วะต่นี้พระองค์ที่ขี้เกียจท่านได้ยินพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระเหล่านั้นก็เลยคิดอ๋อข้าจะต้องออกไปบำเพ็ญให้ได้สำเร็จเหมือนกับพระเหล่านี้บังทีนี้ก็เลยมีกลุ่มอื่นออกไปอีกพระองค์นี้กับติดตามไปไปกับไปภาวนาทีนอไปภาวนากับ อทํำยังไงก็ไม่รู้ไปยืนพิงต้นไม้เี่ยจะภาวนาเอาอย่างเต็มที่แล้วเอีตอนนี้ก็เลยคงจะง่วงมั้งทีเพราะคนคนไม่เคยทําเต็มที่แบบนั้นพอมันง่วงก็โค่นล้มลงไปขาไปคัดอะไรก็เหมืนอนลูกขาหักทีนี้พอขาหักเลยก็ล้องบวยวายขึ้นมาเพราะตัวเองขาหักอยู่ในป่าพระสงฆ์ที่ไปด้วยก็เลย เออมาลุมมาตุ้มมาดูแลแก้ไขกันจากนั้นก็ได้นําพระองค์นั้นกลับมาวัดป่าเชตตะวันเน่ยพระพุทธองค์บอกว่าพระองค์นี้ไม่เคยมีแต่ชาตินี้นะชาติที่แล้วก็เคยพระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าชาติที่แล้วเป็นยังไงพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าชาติแล้วนี่มีทิะประโมกอาจารย์อยู่ที่เมืองตะกัศีลา มีลูกศิษย์ห้าร้อยล้วนแล้วจะเป็นคนหนุ่มแน่นที่เขามาศึกษาวิชาความรู้แต่พอตอนกลางวันนะก็อาจารย์ก็ให้ไปเก็บผักหักฟืนให้กลุ่มนี้ไปหักฟืนไปหาฟืนกลุ่มนี้ก็ไปหาอาหารลักษณะอย่างนั้นนะเนอ่ยตอนนี้ท่านก็ไอ้ขี้เกียจนี่ยนะมั้งั้นเถอะชาตินี้ก็ขี้เกียจชาติที่แล้วกับขี้เกียจมันติดนิสัยได้ไอ้คนขี้เกียจมันก็นติดนิสัยติดพบติดชาติมั้งั้นะ ทีนี้ก็หมูไปหาฟืนตัวเองก็ไปมัดเปแล้วก็นอนอยู่ใต้ต้นกลุ่มเหมือนกันนะอ่าบอกนะให้เขาหาเสร็จแล้วะเราจงค่อยไปหาที่หลังหมูก็ได้ละเอาฟืนแบกบฟืนไปจักตุนแล้วก็พอแล้วละ่ะอ่าทีนี้ก็นอนเฉยหมูเขาก็หาฟืนพอหาฟืนเสร็จแล้วเอ้าไปกลับตัวเองก็งวงเงียขึ้นมาจากเปย์ท่านี่งเห็นเขาแบกฟืนหมดแล้ะ ถ้าตัวเองเดินมือเปล่าไปจะทํำยังไงได้ไปเห็นกิ่งไม้กลุ่มต้นหนึ่งกิ่งแห้งมันว่างั้นแตอกิ่งแห้งอยู่ต้นกลุ่มต้นหนึ่งตัวเองเคกระโดดขึ้นก็ไปดึงกระชากกิ่งกลุ่มกิ่งนั้นหละ ว, ว่าจะทําเป็นฟืนได้จกักรรุ่นหนึ่งก็ยังดีลักษณะอย่างนั้นแหะบางคนขี้เกียจแตอปูปับอะไรไงอันไหนใกล้ๆก็เอานั้าไหน พอกระชากอย่างแรงก็มากิ่งกลุ่มก็เลยไปเท่มเข้าตาตัวเองทตาก็เลยบอดพอตาบอดทนี่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายทูกศิษย์ทิศสะโมกอาจารย์ก็เลยมาลุมมาตุ้มนำส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยตำหนอิอาจารย์ตาหนิก็น่าฟังนะอาจารย์ตำหนิบอกว่าอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลัง แต่เจ้าเนี่ยตามไม่จริงเจ้าต้องหาฟืนก่อนพอได้แล้วเสร็จแล้วจะมากลางเปนอนก็ยังได้แต่นี่เราเจ้าเจ้าไปหากลางเปนอนซะก่อนจนหมูจะกลับแล้วเจ้าจึงไปหาฟืนนี่แหละความทุกข์ก็จะต้องมาจดกับเจ้าจุงนี้แหละเจ้าจะต้องเป็นทุกข์ผู้ใดก็ตามสมัยเป็นน้อยเป็นหนุม่มก็ควรจะสะแสวงหาทรัพย์ ในขณะที่เป็นหนุ่มไม่ใช่ว่าเป็นน้อยเป็นหนุ่มเออเป็นคนหนุ่มแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจในการส่แสวงหาทรัพย์มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสิ่งไหนที่เป็นสนุกเครื่องสนุกสนานเที่ยวเล่นไปหมดพอเท่าแก่ชรายังค่อยมัวเมียมาหาทรัพย์สมบัติมันจะทันเขาเหรอเพราะนั้นการส่แสวงหาทรัพย์มันต้องหาแต่สมัยเป็นน้อยหนุ่ม ให้เพียงพอซะก่อนเราจึงจะพักผ่อนมันจึงจะถูกมันจึงจะมีความสุขท่านจึงว่าทุกขษาสะนันตลังสุขขังทุกขษาสะนันตลังสุขขังถ้าเราเสาะแสวงหาทรัพย์แต่สมัยน้อยหนุ่มคนเสาะแสวงหาทรัพย์มันก็ต้องทุกมันต้องทุกเพราะเหตุไรเพราะการเสาะแสวงหาทรัพย์เนี่ย ธรรมมาค้าขายเนี่ยมันต้องทุกข์แต่ว่ามีความสุขเมื่อปลายมือพอเรามีทรัพย์สมบัติแล้วจะมีความสุขเมื่อปลายมือเมื่อเท่าแก่ชลามาเราก็ได้ใช้ทรัพย์สมบัติเมื่อเราเสาะแสวงหาแต่น้อยหนุ่มแต่มันตรงกันข้ามทีนี้ตรงกันข้ามคำว่าสุขขัดสาสะนันตลังทุกขังสมัยเป็นน้อยหนุ่ม มีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นคบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนสนุกสนานไม่ได้สนใจทามาค้าขายแต่เมื่อเท่าแก่ชราและกำมัวเมียเทนี่เพราะไม่มีอันจะ อ, อยู่จะกินแหละมัวเมียหาทรัพย์สมบัติกำลังวังชาของตนเองก็อ่อนแอสติปัญญาของตัวเองก็เมื่อยล้าแล้วทนี้นั่นแหละปว่าสุขเมื่อเป็นหนุ่ม แต่จะได้รับทุกข์เมื่อแก่นะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้เราจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนสอนให้แก่พวกคนทั้งหลายให้เรียบธรรมตั้งแต่ยังน้อยหนุ่มถ้าเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันขณะที่ยังน้อยหนุ่มเราก็พยายามเล่งความภาคความเพียรเจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่านิ่งดูดาย แต่เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วเราจะได้สบายเมื่อผลแห่งการปฏิบัติของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเมื่อเมื่อน้อยหนุ่มเออมีแต่พูดมีแต่คุยมีแต่ ค, ตคบค้าสมาคมเรื่องสเพเฮระเรื่องไม่เป็นเรื่องออแต่พอเช่าแก่ชรามาเ อ, อหลังค่อมไปแล้วเดินยังโก ม, มีแต่เหนื่อยไปแล้วเราจึงควรมาเล่งความเพียรอันนั้นอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนสาหรับทั้งฝ่ายโลกทั้งฝ่ายธรรมของพวกเราเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ที่มาเป็นพระกรรมฐานก็ขอให้พยายามตด้ความภาคเพียนให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่ยังเท่าแก่ชะลานะแต่ถ้าเมื่อเท่าแก่ชะลาแล้วเราจะลาบากนะี่พวกเราเมื่อจะเป็นครวญญายงก็เหมือนกันต่า ลาสิกขาออกไปแล้วคนนั้นอ่ะให้สา ะ, ะแสวงหาทรัพย์แต่สมัยน้อยหนุ่มอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นเฮ้ยอย่าไปออกนอกลูก่นอกทางในเมื่อเราเที่ยวเล่นแล้วเรามีความสุขจริงเมื่อน้อยหนุ่มแต่มีความทุกข์เมื่อแกอ่าไม่เป็นผลดีเรามีความทุกข์เมื่อหนุ่มแต่เรามีความสุขเมื่อแก่อันนั้นจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน พระทุกองค์หมู่พกเพื่อนทุกองค์ก็ขอให้ทั้งอกตั้งใจอย่างที่ผมได้พูดเทรแนะนำแล้วก็เรื่องการภาวนาทีนีเรื่องการภาวนาพวกเราจะยึดกรรมาฐานไหนเป็นหลักแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทั้งหมดท่านก็ว่าให้บริกรรมพทรุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพทรุทโธทำให้ต่อเนื่อง ทําให้สืบเนื่องทําให้ต่อเนื่อ ง, อ, อ, งอย่าให้ขาดวักขาดตอนอันนี้คือทำจะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราทำลุ่มลุ่มโดนๆทิ้งบ้างทําบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทําไปอย่างนั้นผลที่จะงอกเงยและผลจะเกิดขึ้นสืบเนื่องนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะไรเพราะผลไม่สืบเนื่อง เ, อเราไม่ได้ทําสม่ําเสมอแต่ว่าการภาวานา บางคนบางท่านยจะภาวนาบริกรรมกรรมฐานสี่สิบอย่างกรรมฐานสี่สิบที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพุทธานุสติะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจือว่าพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโธหรือว่าธรรมโมธรร ม, มานุสติะระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็นคําปริกรรมว่าธรรมโมธรรมโมก็ได้เออ สังโฆพุทโธธรมสังโฆที่กรรมาฐานที่เราจะมาเอาบริกรรมเรว่าสังโฆสังโฆก็ได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติสีลาคือคือระลึกถึงศีลของตัวเองจาคานุสติรละลึกถึงทานของตัวเองได้ทำคุณงามความดี ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบริจาคทานามาแล้วรละลึกถึงผลทานของตนเองอันนี้ก็ดี เ, เทวานุสติรละลึกถึงคุณของเทวด า, าผู้ที่สร้างคุณงามความดีสั่งสงคุณงามพรวนผู้นั้นจะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นผู้ได้รับความยกย่องถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นที่ได้รับความยกย่องในคนคนทั้งหลาย เ, าเหมือนกับเทวด า, อ, าอย่างนี้นะ จนถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายทุกคนก็จะต้องไม่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทจังนี้ให้เราลึกถึงความตายตายตา ย, ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือบริกรรมอย่างที่หลวงปู่ล่าที่ท่านสอนก็ได้หายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับฮะเกิดก็คือ ความเกิดดับก็คือความตายเกิดขึ้นมาแล้วตายทุกคนเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายในโลกนีจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นแหละตายทุกคนเจริ บ, บริกรรมอย่างนั้นก็ได้แล้วก็บบริกรรมอุปสมานสุตติและลึกถึงคุณของพระนิพพานที่เป็นทำใจให้ว่างไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะจะยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไร เพราะว่าจะยึดมั่นร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจะยึดมั่นที่พักพาใส่ก็มันก็ไม่ใช่ตัวตนกลเรามันว่างเพราะมันไม่ใช่ของเราเนาใจให้ว่างนอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นเอรานั้นขอให้พระลูกพหลานพระใหม่ทั้งหลายจะบริกรรมอันไหนก็ได้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้บริกรรมพุทโธ ยึดพุธโธในเป็นหลักหายใจเข้าพุธหายใจออกโธพุธโธพุธโธนะนี่แหล ะ, ะยึดให้แน่นแล้วก็เดินปไปบินธบาตก็าขาขวาพุธขาซ้ายโธบริกรรมไปด้วยไม่ต้องคุยกันอย่าไปคุยกันนะอะถ้าไปเดินไปคุยกันแล้วดูๆแล้วเป็นอกับกิริยาที่ไม่ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าเนี่ยอย่าไปแนะนําและจะไปชวนพระใหม่คุยโดยมากพระเก่าเนี่ย เอผาผ้าใหม่ออกนอกรูกนอกทางมีมากต่อมากไม่ว่ายกนั้นสมัยนี้เพราะนั้นองค์ใดก็ตามเอถ้าออกนอกรูกนอกทางผ้าใหม่ให้รู้เลยว่าเนี่ยเออไม่ได้ตั้งใจจริงในการบวชของพระเก่านี้นั่นแหะไม่เป็นผลดีในพุทธศาสนาถ้าว่าผลดีแล้วก็นนะเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่น เป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่ที่ได้รับการแนะนําสั่งสอนอย่างไรพระเก่าจะต้องเป็นผู้นําเพราะว่าได้มาศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าพระใหม่กับพระเก่าได้ยินเหมือนกันแต่เพอเพอพระเก่ายังพาทำใช่ เ, เองพาประพฤติใช่ เ, เองอย่างนี้แปลว่าที่มาศึกษากับหลวงพ่อนั้นเปล่าประโยชน์นะ หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนมามากตัวมากแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยสั่งสอนคนผิดจะแล้วองนั้นเถอะมันเปล่าประโยชน์เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสิทธิ์นะองค์ที่เปล่าประโยชน์มันก็มีอองค์ที่ได้ประโยชน์ก็มีเปล่าประโยชน์ทั้งผู้มาศึกษาเปล่าประโยชน์ทั้งผู้ให้โอวสว่านนี่สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราเป็นพระประเภทนั้นหรือเปล่าเนี่ย อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาบวชในครั้งนี้ให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้มุ่งมั่นให้ตั้งใจใ ห, ให้ได้ริมรถความสงบสักครั้งหนึ่งในการบวชในครั้งนี้เราทำวิธียังไงถึงจะทำจิตให้จิตใจให้สงบราให้ได้เดินโยกลมนั่งภาวนาพยายามนั่งให้นาน ทําหลายๆอย่าง เ, เดินโยกลมดูซิกันลมดูซิพิจารณาดูซิเราพิจารณาร่างกายดูซิมันมีอะไรบ้างในร่างกายของเราเรา เ, ราเห็นรูป ก, กระดูกกําหนดดูซิมันเป็นอย่างนั้นไหมกระดูกของเรานี่สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านดูด้วยสติดูด้วยความคิดของตนเอง ไม่ใช่แบบลุกลี้ลุกลนนะไม่ใช่แบบจับจบว่า ง, งั้นแต่ดูแบบนิ่งนิ่งดูแบบลึกๆดูแบบใจเย็นดูด้วยกันพินิษฐ์พิเคราะห์ดูด้วยสติด้วยปัญญาแท้แท้แบบกําหนดดูให้เข้าใจแล้วก็ทาความเข้าใจกับใจเขาตนเองทําความเข้าใจกับใจในเรื่องนี้ ใจของเราต้องเข้าใจใจของเราต้องรับรู้ใจของเราจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างจริงอย่างนี้ไหมที่เราใจของเรามันหลงมันหลงเพราะอะไรทำไมใจของเราจึงหลงฮะมันหลงเพราะอะไรไมันหลงเพราะกิเลสพูดอย่างนั้นได้กิเลสราคะกิเลสโทสะมันพาให้หลงเ <p> พราะนั้นให้เรารู้ว่ากิเลสเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนอ่ามันอยู่ที่ใจของพวกเรา เพราะนั้นอย่าให้มันเข้ามาครองใจจนเกินไปอย่างน้อยก็ให้สติให้ปัญญาของเราไข ค, ควรทบทวนแวกไหวยเหมือนกับแวกแหนแหวกจอกออกจากน้ําที่บึงที่บ่อสักหน่อยให้เห็นน้ําสักหน่อยก็ยังดีนะถ้าเรามืดมิดปิดตาเอาเสเลยคิดอะไรก็ไม่ออกเมีแต่ลุ่มหลงมัวเมากิเลสราคะโทสะโมหะมันลุ่มมันตุ่มอยู่ตลอดจนมองไม่เห็น ความจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารเกิดเกศเจ็บตายตายแน่นอนนั่นขนาดความตายแท้ๆกับอย่างหมอกไม่เห็นเออถ้าขนาดนั้นแล้วไปว่าใจของเราหรือความรู้สึกของเราหรือว่ากิเลสของเราเนี่ยหนานแน่นมาก เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถึงหนานแน่นขนาดไหนก็เถอะพวกเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้ไดออ้อย่างน้อยก็ให้สงบสักพั้งหนึ่ง ในพรรษานี้ให้ได้ฮะถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามอยู่ในจิตในใจของพวกเราผมว่าไม่เหลือวิสัยนะไม่เหลือวิสัยเนี่ยต้องสําเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาเนีเพราะนั้นพวกเราจะไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่กี่เดือนกี่วันเราบวชเราบวชมาครั้งนี้ เราไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเรามาศึกษาธรรมะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรในหเดือนหกปีพวกเราให้อ่านดูในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องการเป็นอยู่อย่างอื่นนี่แหละให้ศึกษาเรื่องของใจ พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่6ปีไปศึกษาเรื่องของใจใจนึกคิดเรื่องอะไรถ้าว่าพวกเรามีสติสัมปะชัญญะนะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวเราจะเห็นความคิดของตนเองแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลามันนึกคิดเรื่องอะไรออกนอกรูนอ ก, นอกทางยังไงหรือไม่แหมเพลอเพลยังร้องเพลงขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่มันไม่ร้องเพลงออกปากหรอกแต่มันร้องเพลงเพลงในใจ เพราะมันเป็นชั้นดรชั้นดานเราติดมานมนานแล้วมันก็ร้องขึ้นมาในใจเนี่นี่แหละมันกิเลสมันขึ้นมาแล้วให้รู้ได้ตัว น, นี้กะคือตัวกิเลสความรุ่มหลงเพิดเพลินเฮฮารุ่มหลงมัวเมาเาเรื่องอจิตใจของเราไปติดไปเกาะไปคล้องกับเรื่องกิเลสถ้าเมื่อลักษณะอย่างนั้นเรารีบสามทับเเรารีบสามทับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเขาเลย น่จะไปปล่อยนะถ้าปล่อยไม่ได้กิเลสตัวนี้มันจะขายายขายายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจะดึงกระชากรากถูเราไปเรื่อยๆทั้งที่เราบวชเป็นพระร่างกายของเราอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยแต่จิตใจของเราเป็นโลกไปอันนั้นไม่ถูกนะนี่เพราะนั้นถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเรารีบบริกรรมพุทพโธพุทโธสำทับเห็นโทษมนอีกต่างหากก อ, อ เราเข้ามาบวชเราจะตัดกิเลสทางนู้นออกแล้วมันทำไมกิเลสตัว น, นั้นมันยังเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้อีกวะมันต้องสำทับอย่างนั้นอีกไม่เอาน ะ, ะเราจะอยู่ให้เป็นพร ะ, ใ ห, พระให้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่สดุดในสามเดือนเนี่ยจะไม่ให้มีมนถิน่นให้เป็นพระตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เอาเราจะไม่ทำ สิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นตามหลักพระธรรมวินัยตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนล่ะจะไม่เอาทามันผิดนะเราจะทำให้ถูกต้องที่สุดนะไอ้คืออันนี้คือให้อยู่ในใจของพวกเรานะถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราถึงกำหนดที่จะเราจะลาจิกขาตามกำหนดมันก็มีกำหนดอยู่แล้วเนี่เราออกไปกับออกไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างมาก ว่าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าบวชสมเรือนข้าพเจ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่หลักพระธรรมคําสังสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้กระทําข้าพเจ้าทําสมบูรณ์ที่สุดแล้วเต็มความสามารถของข้าพเจ้านีอันนี้เราก็จะภาคภูมิใจนะเราพูดให้แก่ใครฟังเราก็จะภาคภูมิใจแต่ถ้าว่าเราทําไม่ถูกนา เ, เมื่อทําไม่ถูกแล้วออกไปเฮ้มันหลบหลบซ่อนๆ่อนคล้ายๆว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่กล้าเปิดเผยในการกระทําของตัวเองพูดอะไรก็ไม่เต็มปากเต็มคํามุมๆงำๆว่างั้นแหะเพราะนั้นอยาให้เป็นอย่างนั้นนะออขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังในการปวดในครั้งนี้ทําบริกรรมกับบริกรรมจริงๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธในจิตในใจให้เป็นพระ จริงจริงจากนั้นก็ให้ศึกษาให้ศึกษาในฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็ให้นั่งภาวน า, าให้นั่งภาวน า, าแล้วก็ให้มีให้อยู่ในกรอบอกติกาข อ, ง, อางพวกเพื่อนแนะนํามอบหมายว่าองค์ไหนควรจะทําอย่างไร เ, าเราควพยายามทํำถ้าว่ามันหนักหนาเกินไปเรามีข้อเสนอแนะไหมทุกคนมี มีพร้อมที่จะเสนอแนะได้เนี่ยบอกได้เสนอแนะได้เ่ยในการเป็นอยู่ของพวกเราก็คือหลักพระธรรมวินัยก็คือหลักพระธรรมวินัยแต่ว่ากฎระเบียบภายในวัดเนี่ยเราพร้อมที่จะเสนอแนะได้ว่าโอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่งงางไงได้ไหมเวลานี้จะทำยงงางั้นได้ไห ม, มเวลานี้ทํายังไงหมูกเพื่อนทําอะไรนี่เนี่ยพร้อมที่จะทําความเข้าใจกันได้นะของเรื่องกฎระเบียบแต่ว่าเรื่องธรรมวินัยนั้นอันนั้น เราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบาปปุลคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงกรัมมุนินาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรัมที่ตนได้กระทำไว้ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคืออะไรกลัมคือการกระทำถ้าเราทาดีผลดีก็จะตาม สนองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองพวกเราเหมือนกันอากตังลุกตังเส้ยโยที่ผมอ้างบ่อยๆกรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมจะติดตามและเผาผัานเราเมื่อภายหลังนี่แหละอย่างพระโมกคราที่เป็นอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจา้าท่านได้ทํากรรมชั่วคือได้ฆ่าพ่อแม่ ท่านก็ได้ถูกฆ่ามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่ถ้าว่าท่านท่านยังไม่พ้นทุกในชาตินี้นะกรรมชั่วต้นนั้นก็คงจะติดตามท่านไปตลอดเนี่อันนี้ก็คือพระพุทธองค์ก็เคยได้ตรัสได้บอกเอาไว้บอกว่าเนี่ยนะพระในคร้างพุทธการเก่าแก่ท่านว่ากล้ำชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นมันติดตามให้ผลเนี่ยสมัยก่อนทิศสะประโมกอาจารย์มีบริวารสอนหนังสือให้แก่บริวารแต่ทุกปีก็มีการฆ่าแพ้ฆ่าแก่นะทําบุญแต่คราวนั้นปีนั้นท่านก็เป็นทิศสะพโมกขึ้นมาใหม่ ่ท่านก็บอกว่เออตามประเพณีของเก่าแก่ของเขา เ, ออเราจะต้องทำบุญ เ, ออเพื่อญาติตำมูลนิธิให้ญาตออิขอให้พวกท่านทั้งหลายออไปจัดการฆ่าแกะเอาเนื้อแกะมาออทำบุญเลี้ยงพรามตอนี้ลูกษี์ก็ไปไปก็ไปจับแกะแกะแล้วจะฆ่าจะฆ่าแกะ อแกะตัวนั้นก็ทั้งร้องไห้ด้วยทั้งหัวเราะด้วยทีนี้พวกลูกศิษย์เขาก็คงรู้ภาษาของแกะท่นี่รู้ภาษาแกะร้องไห้แล้วหัวเราะพวกนั้นก็พวกลูกศิษย์เลยถามว่าแกะทําไมแก่จึงร้องไห้แล้วหัวเราะแกะตัวนั้นก็บอกว่าไปถึงอาจารย์ของพวกท่านซะก่อนข้าจะบอกให้รู้เออ ถ้าอยู่ที่นี่ข้าจะไม่บอกพวกบริวารลูกศิษย์ของทิศศัประโมกอาจารย์ก็เลยนําแกะตัว น, นั้นไปพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นชาดกนะพอนาแกะไปทิศศัพประโมกก็เลยถามว่าแกะทําไมท่านเจ้าจึงหัวเราะและร้องไห้แกะตัว น, นั้นก็เลยบอกว่าแต่ก่อนข้าไปเจ้าเคยเป็นทิศศัประโมกอาจารย์เหมือนกับท่านนี่แหละ เหมือนกับท่านนี่แหละแต่ข้าพเจ้าได้สั่งให้คนฆ่าแกะบูชายัญข้าพเจ้าได้สั่งฆ่าแกะบูชายันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตายชาตินั้นและข้าพเจ้าเมื่อเกิดเป็นแกะได้ถูกฆ่าทั้ง499ชาตินี่แหละนี่แหละข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าเป็นทุกข์แต่ข้าพเจ้าหัวเราะนั่นคือ ชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าใช้กลัมจบแล้วชาติที่ห้าร้อยถ้าว่าท่านฆ่าข้าพเจ้าชาตินี้แล้วก็บจบละจบสิ้นเอข้าพเจ้าใช้ชาติในการใช้กลัมจบในชาตินี้เป็นชาติที่ห้าร้อยเพราะนั้นข้าพเจ้าจะผลกลัมแล้วข้าพเจ้าจงวเราะเพราะฉะนั้นท่านจะฆ่าข้าพเจ้าอีกอข้าพเจ้าจึงร้องไห้โอ้ท่านจะทํากลัมต่อไปอีกแล้ว เนี่ยพราะท่านข้าพเจ้าจึงร้องไห้เพราะมันกล้ำนี้มันมันต่อเนื่องและเกิดทิสสะปาโมกอาจารย์ได้ยินโอข้าพระเจ้าจะไม่ทําหยุดไม่ฆ่าอีกแล้วแกข้าพระเจ้ายินดีให้ท่านจะไม่ฆ่าเจ้าและจะดูแลรักษาเจ้าอย่างดีอีกตาหากจะไม่ให้ใครฆ่าเจ้าอีกบอกว่าวันนี้ถึงท่านจะไม่ฆ่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จะตาย เอออยู่แล้วทิศาปโมกก็บอกว่าอืมถึงท่านจะยังไงข้าระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลคุ้มครองให้ดีที่สุดวันนี้เอ่อก็สั่งลูกน้องให้คุ้มครองเออวันนั้นแก่ตัวนั้นก็เลยไปหากินเถาวันอยู่ที่ลานหินแห่งหนึ่งไออยู่ไม่อยู่เอ อ, เอฟ้าฝนจะตกลงมาเออฟ้าก็เลยพาเปี้ยงลงมาตัดคอแก่ตัวนั้นขาดกระโจยเลยงั้น แก่ต่นนั้นก็เลยตายนี่แหละเพราะพพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่านี่แหละในอดีตชาติแก่ตัวนี้ะที่มันขราวเนี้ยทิศสามระโมกตทิดแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์เนะ่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นกรรมในายาธรรมดีกว่ากรรมชั่วนั้นไม่เป็นผลดีมันจะให้ผลติดต่อนอนเนื่องได้เพราะนั้น การที่จะทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ไม่เป็นผลดีในเมื่อเราฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราต่อไปนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเนี่ยกลัมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็มาฆ่าเราเพราะนั้นเวนตัวนี้ จะไม่ไปไหนกรัมตัวนี้จะไม่ไปไหนมาหาผูกรร้กระทำอ่ะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะที่ได้มาบวชในพุทธศาสนาก็ให้คิดดูคิดดูให้ดีและศึกษาทำคําสั่งสอนของพระเจ้าที่สมเดือนเนี่ยให้เราได้อ่านได้ศึกษาในเรื่องต่างๆถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็ให้อยู่ในใจไว้ก่อน เออให้อยู่ในใจไว้ก่อนเพราะหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสว่าขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วแต่ทําไมแก่จึงพูดได้เออันนี้เป็นเป็นแนวความคิดในการสอนของพระพุทธศาสนาอแต่บางคนในยุคนี้สมัยนี้ขนาดเขาเลี้ยงเป็ดเขายังรู้จักภาษาเป็ดนะออพวกฝรั่งเขา เลี้ยงเป็ดเป็นฝูงนี่เอ่เป็ดมันจะไปทางไหนเนยมันจะอยู่อย่างไงนี่เขายังฟังหัวหน้ามันสั่งกันฮะเอ่เพราะฉะนั้นภาษาตัวนี้มันไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอีกเหมือนกันนั่นแหละเนีเพราะฉะนั้นพวกเราปิชาในโลกเนี่ยมัน ม, มีมากมายหลายอย่างเนีสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรเห็นถิงจะที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เข้าใจมันมีมากอืมเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้ แต่ถึงยังไงก็ตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสิ่งไหนที่มันไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนองพวกเราถ้าว่าเราไปทำกรรมสิ่งไหนที่เบียดเบียนคนอื่นทําให้คนอื่นทุกข์ลาบากกรรมนั้นก็จะตามสนองเราไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดระวังนั่นเถอเพราะฉะนั่นพระพุทธเจ้าตรึงว่าเมื่อรู้แล้ว ได้เรียนรู้แล้วได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้พวกเราทำแต่กรรมดีสิ่งที่มันไม่ดีความหายนะนั้นเมื่อทำไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนที่การกระทำของเร า, เ, าเราก็เดือดร้อน เ, อเพราะเขาจะแก้แค้นเราและอีกอย่างหนึ่งตำรวจก็จะไล่จับเราอีกเราก็วิ่งหนีหัวสุกหัวสุนอีกต่างหาก เพยเผยหนีเงื้อมมือเขาไม่หลุดเมื่อไปไม่รอดอีกต่างหากฮนะเพราะนั้นอสิ่งที่ไม่ดีอย่าทําำทําแต่สิ่งที่ดีแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกเราบวชมาคราวนี้ให้ศึกษาเลือกภาคปฏิบัติผมว่านะถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งให้สงบนิ่งแล้วเอจิตใจ เข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละจะฝังลึก อ, อจะเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียนรู้อย่างไร อ, อท่านเรียนรู้อย่างไงเราทําเพียงแค่นี้เราได้รับความสงบเพียงนี้เรายังเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมนั้นท่านเรียนรู้ได้อย่างไ อ, อมีความสุขจริงๆที่ทําจิตให้สงบ เพียงแค่นี้นี่แหละเราจะไม่เชื่อใครนะธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อใครเชื่อในตัวเองผู้ที่สุดเชื่อในการกระทําของตัวเองเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองเชื่อในความรู้ที่เราได้ปฏิบัติแล้วประสบพบเห็นด้วยตนเองจะได้มันถอนไม่ขึ้นเลทีฝังลึกในจิตในใจในภาคปฏิบัติไม่เหมือนปริยัตนะ ถ้าประหยัดถ้าเรียนรู้เฉยๆถ้าเรียนรู้ไปแล้วก็จบๆผผ่านไปแต่ภาคปฏิบัตินี่มันฝังลึกมาจากใจจริงเลยว่างั้นถเถอะแหมมารู้มาจากหัวใจจริงเลยรู้แจง้งเห็นจริงในจิตในใจเลยเพียงจิตสงบเท่านั้นแหละมันฝังห ล, ลักลึกแล้วเชื่อในพระธรรมเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าอในวันนี้ผมเห็นว่าะให้แนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนอพอสมควร แล้วตอนนี้ไปนั่งสมาธินัที่นี้นะยังค่อยเลิกลากันกลับเอานั่งสมาธิ